เมื่อกี้ในประเด็นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยใครมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือยังไงไหนอยากจะแชร์ให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งยมยมสุภวียมติดตามมาตลอดเลยเนาะสะดวกคุยไหมสะดวกคุยยกมือหน่อยน้วมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะเอเอเออ หนูยมพูดไม่ค่อยเก่งนะคะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาที่เราพูดเป็นภาษาของเราอะเนาะเออลองดูคือว่าเส้นทางของโยมเนี่ยรู้เขาเรียกว่าบัญญัติมาเยอะมากค่ะเวลาไปปฏิบัติมันก็จะบางบางบางแต่ก็ก็ทำอะค่ะพยายามทำไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ที่โยมเข้าใจก็คือว่า ยมใช้วิธีเดินทุกวันนะคะวันประมาณชั่วโมงชั่วโมงมันก็รู้หลงรู้หลงแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่ารู้ที่เป็นจิตบริสุทธิ์และอันนี้คือหลงไปก็ไม่รู้แต่พอทําไปเรื่อย ๆ, ๆบวกกับการฟังธรรมของของของหลวงพ่อนะคะ <S <S มันก็เริ่มเออะเอาขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะอันนี้มันจะรู้ว่าถ้าเราอยู่กับกับเขาเรียกว่าอะไรนะปัจจุบันขณะเนี่ยค่ะหูมันจะชัด คือตามันจะชาร์มันชาร์หมดอะค่ะมันเห็นกายทั้งกายตัวนี้หมดเลยอะค่ะออืแต่ถ้ามันมันเหลือแต่เหมือนคุณหนิงพูดนะคะเหลือแต่หัวแต่ตอนที่ที่เหลือแต่หัวนี่เราไม่รู้นะคะตอนนี้มันมันเขาเรียกว่าตอนนัมันก็ชัดอยู่อะได้ยินเสียงพระอาจารย์ชัดมือชัดหัวชัด์จกายสัมผัสชัด์จแป๊บเดียวอะค่ะมันเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดละตัวมันก็หายไปหมดเลยมันก็อยู่โลกของความคิดทีนี้โยมก็เห็นสภาวะนี้โยมก็อ้าวหลงนี่นาอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ออกมาใหม่ มาตาชาัดหูชัดอะไรอย่างเงี้ยคะ<ฮ>่ะอาจารย์โยมก็ฝึกแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโ<ฮ>ยมว่าการที่โยมเริ่มเข้าใจเพราะโยมเห็นไอ้ตัวนี้ทั้งตัวมากกว่าคะ<ฮ>่ะพระอาจารย์ไอ้ขันห้าทั้งทั้งตัวเนี่ยคะ่ะเห็นมันโค้งไปเคงมาครั้นี้มันก็เริ่มเห็นตั้งแต่วันเคลื่อนไหวมีอะไรเกิด ข, ขึ้นกับกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ระหว่างเส้นทางเนี้ยมันจะเริ่มรู้ว่ามันทํางานเองอย่างเช่นเวลาเราคันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะแล้วก็คันเลยใช่ไหมสค่ะอาจารย์เอามือแบบคันเลยแล้วเราก็ไปเห็น ได้เห็นเห็นว่าเราเออไม่ใช่เราไม่รู้รู้ ร, รู้ไม่รู้แล้วพอมือมันยกมาอ้าวเฮ้ยนี่มันขันห้ามันคันแล้วมันก็เกาเองนี่หว่าอะไรอย่างเงี้อย อ, ยอยมันจะเริ่มเห็นมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์บวกกับฟังทำมาเรื่อยๆแล้วตอหลังมาหน้าก่อนที่โยมวันไหนจำไม่ได้แล้วก็คุณหนุยหนุยพูดว่าโยมอาจารย์ตอนนี้โยมจะมีปัญหาว่า คือจะจำอะไรไม่ใช่จำนะมันมันต้องใช้ความคิดในการนึกก็ค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่ค่อยอยากจะจะนึกมันมันก็อยู่มันไม่ค่อยอยากจะนึกมันนึกนึกแล้วมันต้องใช้พลังในการนึกเยอะอย่างเงี้ยบางครั้งโยมนะอยากจะมาพูดแต่แต่มันนึกเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ลืมนะมันก็ทำคิดอะไรได้แต่มันไม่ค่อยที่จะเข้าไปนึกเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปคิดแล้วก็มาพูดพูดพูดพูดอย่างเงี้ยค่ะแบบ เผยแพย่ธรรมะอะไรเงี้ยคะ่ะเล่าสู่ ừ ừ ừ กันฟังมันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อะคะ่ะหมายถึงว่าถ้าถ้า ตัวเราเดี๋ยวจะนึกจะมาพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคิดไม่ออกมันพูดแต่ถ้าให้มันรู้ของมันเองมันนึกของมันเองนี่ลื่นเลยใช่ไหมลื่นเลยค่ะพระอาจารย์มันก็รู้ของมันไปอย่างอย่างเวลายมทำทำทำฟังกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะยมก็มีกิจนะยมก็ทํำนวดทานี่มันชียมมาไม่ทันที่พระอาจารย์เรียกอะยมมันชีก็อยู่ไม่ใช่อยู่ตําแหน่งมือถืออย่างเดี๋ยวแบบขันองส้วมอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าทำกับข้าวอยู่ยมก็พิ่งมาไม่ทันแล้วก็ โยมบ อ, อกจริงๆว่าโยมเล่นในตรงนี้ไม่ค่อยทันต้องยกมือยกอะไรโยมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะอาจารย์มันก็เหมือนกับเราไม่ได้ให้ความร่วมมือแต่เราก็ก็ยินดีให้ความร่วมมือคะ่ะอาจารย์ค่ะก็อยากให้พ่อาจาร์ถามได้ไหมคะแล้วโยมตอบพราะถ้าให้โยมนึกนะโยมโยมนึกไม่ค่อยได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาค่ะอาจารย์โยมจําจํามาเยอะคืออ่านแล้วก็อ๋อสติเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวที่โยมทํานะคะโยมก็มานั่ง สติสัพพัญญสัญญาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แล้วโยมก็ลองมาทําพอทําเสร็จมันก็เข้าไปแบบอ๋อได้แล้วได้แล้วคือโยมไม่ได้เห็นตัววิภากษ์วิจาร์พวกนั้นเลยโยมดูไม่ตลอดสา ย, ยครับอาจารย์พอเห็นนิดหน่อยโยมเข้าเอาความรู้ที่มันโ ย, ยมเรียนมานมาบวกอ๋อข้อหนึข้อนึได้แล้วข้อสข้อสามาสา ม, มันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยชีวิตโยมก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยพ่ออาจารย์จนจนถึงจุดจุดหนึ่งเราเราจะต้องเรียนและไปตอบคาถาม คนอีกคนหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์คนนี้มันก็เลยมีปวดหัวมากเลยค่ะปวดหัวแบบมันไม่อยากอ่านมันไม่อยากฟังธรรมะมันไม่เอาอะไรสักอย่างลองเข้าไปจับแบบหนังสือมาอ่านมันก็ไม่เอาแล้วอะค่ะเป็นอยู่เป็นอยู่แบบคือรู้สึกจิตใจแย่มากค่ะพีอพ่อาจารย์แล้วก็เ อ, อไปเจออาจารย์ประมวลพิงจันนะคะท่านก็บอกว่าหยุดอ่ า, านไปสักพักหนึ่งนะไม่ต้องทําอะไรตอนเนี้ยเหมือนกับ ไม่ต้องไปปฏิบัติเลยก็ได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าพอเมื่อไหร่ก็ให้เข้าสายหลวงพ่อเทียนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วโยมก็ mm hmm. ก็มาเข้าสายหลวงพ่อเทียนจริงๆก็ประมาณปีมกราเนี่ยค่ะที่ผ่านมาสิบวันที่แพร่โยมไปพนจังหวัดแพร่นะคะพระอาจารย์โ mm hmm. ยมเข้ากับเข้าคอร์สของหลวงพอ่อเออของพอระอาจารย์เกษรนะเจ้ค่ะ mm hmm. แล้วมันตอนนั้นมันก็เริ่มแบบอันนี้อันนี้มันจะค่อยๆไหลามานะคะพระอาจารย์อ mm hmm. เออ mm hmm. ก็เริ่มเข้าใจอะไรบ้างแต่มันจะเอาไปปนกับตัวรู้ในขันห mm ้า hmm. เพราะมันเหมือนเรียนมาเยอะค่ะ mm hmm. มันก็จะไปปนกันก็เข้าใจว่าตัวเองรู้อ่ก็สรุปแล้วคือเอาตัวเองไปปฏิบัติแต่มันก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนเราแบบจมน้ําแล้วก็โผลมาแล้วแหนมันก็ปกคลุมเราอีกแล้วก็โผลมาปกคลุมเราอีกอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะพี่อาจารย mm hmm. ์จนจนไม่รู้ว่า จนถึงจุดๆไม่ใช่ถึงจุดหนึ่งจนตอนเนี้ยณตอนนี้เลยนะคะพี่อาจารย์ก็คือว่าโยมก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยมันทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็มันอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติหลงก็เป็นแค่ไอ้ตัวนี้หลงเข้าไปพะมันเห็นสภาวะนี้มันก็ออกมาก็เข้าออกเข้าออกเข้าออ ก, อ, อ, กอย่างเงี้ยค่ะอืมตอนนี้เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะพี่อาจารย์ก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่จะให้พูดก็คือว่าที่หลวงพ่อแยกแยะว่าไอ้ตัวไหนที่มันไม่ใช่สติตัวจริง แล้วก็ตัวไหนสติตัวจริงเนี่ยที่โยมฟังเนี่ยพอพอจะเข้าใจไหมตอนแรกมันเหมือนกับว่าเราต้องทําสติขึ้นมาก่อนนะคะเหมือนเจตนาเขาเรียกว่าทําก่อนเขาเรียกว่ามันปลอมๆคือทําขึ้นมาแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะรู้สติตัวจริงก็รู้รู้ไอ้ตัวที่ทําใช่ค่ะมันจะรู้ค่ะใช่อย่างเจตนาเนี่ยอันนี้ยตัวเนี้ยตัวทําแล้วก็สติมันก็จะรู้ว่าเจตนามีการแบบอะไรเนี่ย ค่ะมันก็จะรู้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จก็ให้ทําเหมือนเดิมมาแหละเพราะมันเป็นตัวล่อที่จะให้เกิดสติตัวจริงนนะอ่ะนะทาเหมือนเดิมจะเดินก็กําหนดเหมือนเดิมแต่ก็พอกําหนดปั๊บมันจะมีน้ําหนักมันตึงมันเครียดแล้วก็ไอตัวรู้มันก็รู้เลยว่าจ้องแล้วเพ่งแล้วมีน้ําหนักแล้วมือหัวตึ๊บแล้วอะไรเนี่ยเออเงี้ยมันก็จะรู้หมดแหละค่ะคือไอขันห้าที่ทําอะไรมันรู้หมดมันจะโกหกไม่ได้มันจะมีอีกตัวนึงมารู้เลยสีแดงกับเขียวมันหลอกใครไม่ได้เลยนะใช่ค่ะคือคือมันรู้หมดเลยว่าไอตัวเนี้ย รู้สึกยังไงแล้วก็จะมีคนมาเรารู้อย่างเงี้ยบางที่เราอาจมันมันแค่นิดหน่อยมันก็รู้หมดแล้วอะค่ะอย่างเงี้ยพระอาจารย์ใช่ใตัวนี้สําคัญมากนี่ที่โยมพูดถูกต้องเลยนะคือรู้ทั้งตัวนะถูกต้องเลยมันต้องรู้ทั้งตัวค่ะเออคือรู้ทั้งตัวถ้ารู้ทั้งตัวเนี่ยเหมือนกับว่ามันเราไม่ต้องไปกําหนดเพ่งไงคือมันแบบว่ามันรู้ไปเลยอะเหมือนเมื่อกี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยมันรู้ทั้งตัวหมดนะให้ดูโทรศัพท์ก็ดีให้ดูอ่าภาพวาดอะไรก็ดีมันรู้เราทั้งตัวเลย เหมือนกับเรารู้คนอื่นแ่ะเวลารู้คนอื่นเห็นไหมถ้ามันก็โดยปกติคือจะรู้ทั้งตัวเลยแล้วก็รู้มันรู้เลยเลยตัวไปด้วยเช่นว่ารอบตัวมีอะไรคือมันรู้ไปหมดอ่ะเออเพราะนั้นเวลารู้ตัวเรามันก็เหมือนรู้คนอื่นอ่ะประมาณเนี้ยอืมค่ะเออแล้วก็เป็นแบบนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวนะแล้วข้อสงสัยมีไหมตอนเนี้ยข้อสงสัยข้อสงสัย คือบางทีก็อยากถามแล้วว่าอาจาร์แต่แต่ว่าวันทีมันก็บอกเราก็เอามาพิจารณาก็เราลองทําไปซี่ว่ามันที่เรามันจริงหรือไม่จริงที่เราสงสัยน่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ไอตัวที่ขึ้นมาก็รู้ว่ามันก็คือสังขารนั่นแหละที่ก็อยากถามแต่ก็ต้องทำเรก่อนเอี่ยงมันก็รู้เองอยู่ก็รู้คําตอบเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถามอออดีนะเออ นะคะยก <laughs> ตัวอย่างนะคะพระอาจารย์อย่างเช่นสติที่หลวงเออเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวมันจะไม่ติดคําว่าหลวงพ่อค่ะอจะติดจะพูดจะพยายามพูดคําว่าหลวงข้อเอออย่างเช่นลืมเวลาา้วค่ะตอนนี้ค่ะ <laughs> <laughs> เออเออนี่ยเนี่ยมันแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะ <laughs> เออไม่เที่ยงไม่เที่ยงนึกไม่ออกแล้วค่ะว่าจะพูดไรต่อคะ่ะ <laughs> ออคือคือโ <c oughs> ยมจะเล่าให้ฟังมีวันหนึ่งที่หลังจากออกจากคอร์สมาแล้วอะค่ะ ก็ก็ไปหาแม่กับพ่อเงี้ยค่ะก็นั่งคุยกันพ่อแม่ก็ก็จะคุยคุยแต่ท่านจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพูดไม่ค่อยถูกหูกันอย่างเงี้ยแล้วโยมก็จะฟังฟังฟังฟังฟังก็ยังฟังอยู่ดีดเนี่ยก็ยังอยู่ที่กายยดีเนี่ยค่ะแล้วมันก็ไปอยู่ที่ความคิดอย่างไงก็ไม่รู้แล้วมันก็ยุ่งยิ่งไปหมดเลยแล้วพอโยมเห็นภาพนั้นโยมเฮ้ยกรรมฐานกรรมฐานมันก็กลับมาพับไอ้ที่ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งหนัวเหมืม่อกี้ดับลงแบบคนละเรื่องแบบขาวกระดำเลยอ่ะ อืม <Ừ, S 2> ใช่ใชเออค่ะอันนี้ยมยงนถ้าก็ถ้ารู้ตัวถูกต้องนะแบบไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ให้รู้ตัวมันรู้ตัวเองเนี่ยมันดับจริงๆค่ะดับทุกต่อหน้าต่อตายอมก็ให้อะไรแต่ก็เออมันอ๋อคล้ายๆว่าเออถ้ามันไปอยู่ในโลกของความคิดมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าออกเราออกมารู้สึกตัวมันก็เป็นแบบนี้มันก็คือเขากับดามันก็เลยทําให้เราเริ่มศรัทธาศรัทธาศรัทธาเขาเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเรื่อยๆ ก็ฟังมาเรื่อยๆเอยค่ะตอนนี้ก็ก็ประมาณนี้ค่ะนึกอะไรไม่ค่อยจะออกค่ะมันก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วบังเอิญโยมลาออกจากราชการแล้วมันก็เลยมีเวลาอยู่คนเดียวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็ฟังทำผ้าจาย์ก็ตลอดสี่เวลาเลยนะเช้าสิบโมงบ่ายโซ่แล้วก็ทุ่มนอะไรก็มีเวลาฟังได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทํากิจบ้านไปเรื่อยๆบางทีมันไม่ได้อยู่กับที่โทรศัพท์บวกกับโล ไม่ไม่ค่อยรู้เทคโนโลยีอะไรพวกนี้อะไรเท่าไหร่ด้วยอ่ะก็โอเคเนาะถ้ารู้แบบถอนรากถอนโคนก็คือรู้รู้รู้ทั้งตัวนั่นแหละแล้วก็ขณะที่รู้เนี่ยมันถอนรากถอนโคนเลยเพราะว่ามันมันจะสลายความเป็นเราเนาะมันสลายเหมือนกับว่าถ้ารู้ถูกต้องรู้ทั้งตัวปั๊บเนี่ยไอความเป็นตัวตนตัวปูเนี่ยมันจะหายวับไปเลยแต่ตอนไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นตัวตนแต่รู้ไม่ได้ไงแต่ถ้ารู้ว่ามันมันมีพฤติกรรมความเป็นตัวตนรู้อย่างถูกต้องเนาะ S <S โอ้โหความเป็นตัวตนเนี่ยมันดับจริงๆเห็นเลยต่อหน้าต่อตาเลยมันแบบว๊าปไปเลยว๊าไปเลยอะแบบหายไปเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งแาลว่าเนี่ยโยมก็เจอแล้วแหละแต่ว่าอาจจะบางทีอาจจะเอามาเป็นคําพูดของตัวเองไม่ได้เนาะเพราะว่าการที่หลวงพ่อชี้คนอื่นครับเวลาคนอื่นขึ้นมาพูดเนี่ยทีนี้ผู้ฟังถ้าสมัครใจฟังแล้วก็จะเห็นตามได้เลยว่าโอ้โหมันเห็นตัวเองเลยว่าปื๊ดหรอเหมือนกับว่าเคยเห็นว่าไอ้ตัวเองก็เคยเป็นอย่างอย่างคนที่ขึ้นไปพูดอย่างเงี้ย แล้วก็วา้าบหายว้าบไปเลยอะไรเนี่ยเนาะอันนี้หลวงพ่อพูดชี้นําเฉยเฉยนะแต่ต้องมาเห็นเราเองเออค่ะแล้วคงมีความก้าวหน้าขึ้นแล้วแหละเพราะว่าจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็มันมีความเข้าใจมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะเปลี่ยนจากเก่าอะแต่เก่ามันอาจจะรู้อย่างโน้นอย่างนี้แต่อันนี้มันรู้ยิ่งขึ้นไปกว่าก่อนแล้วเออเขาเรียกว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งขึ้นนะ ก็ทําแบบเดิมนะเจ้าค่ะแบบเดินเดินยมจะเดินแบบไม่ได้คิดอะไรยมออกเดินออกกับมังการไม่ใช่เดินแบบมาเขาเรียกว่าจงกรมด้วยซ้ำเดินดับยกมือยกแข้งยกขาหนึ่งชั่วโมงอะค่ะยกก็จะเห็นโยบปวดโยบเมื่อยยมก็ดูนั่งนั่งย่อๆ ย, ยกยก ม, มันเหมือนกับเหมือนให้ตื่นตื่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะจ้าจแล้วก็มาฟังธรรมบอกกับฟังธรรมแล้วตอนที่เราเดินเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ พิจารณาไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะมันก็รู้บางห ล, ล, ลงบางรู้บ้างหลงบ้างอะไรงี้แต่ถ้านหลงถ้ามันไม่เห็นตัวนี้แสดงโดยคิดเพราะนั้นแหะคะ่ะที่โยมเข้าใจณวันนี้นะคะถ้ามันไม่เห็นตัวนี้มันตัวนี้หายไปอะ่ะมันก็คือมันไปคิดแต่ถ้าพอยมเห็นคิดครับจึงก็กลับมาอยู่กับตัวนี้มันก็ชัดใหม่ตาชัดกายชัดลมพัดมา ก, ก็เย็นหูได้ยินเสียงนกร้องแป๊บแมันก็เข้าไปอในโลกของความคิดเออเราก็กายก็ดับไปเือลืมตัวค่ะลืมตัว S <S <S แล้วก็ตัวชัดลืมตัวสลับกันอย่างนี้เรื่อยๆค่ะอ่าถูกแล้วแหละเออนะทําให้มากรู้อย่างนี้แหละตามที่โยมทำํำมาละเดี๋ยวมันก็อ่าประกอบกับที่ได้ยินได้ฟังอยู่เนี่ยบ่อยๆแล้วก็มันก็จะจําแจ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเองนะโอเคเนาะอานุบุนานานแล้วขอบคุณพระอาจารย์นะคะก็อ่าถ้าไม่มีมีใครนะก็หลวงพ่อก็มาพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวปัจจุบันอีกเมื่อกี้อาจจะลืมตัวไประหว่างคุยคุยเขาเรียกว่าฟังเพลินพอฟังเพลินปั๊บ จิตมันก็ส่งไปที่ผู้พูดเนาะกำลังพูดแล้วก็ลืมลืมตัวไปนะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วรู้ตัวแล้วว่ารู้ตัวก็คือรู้ทั้งตัวแหละง่ายดีอืแต่เมื่อรู้ทั้งตัวเป็นต่อไปที่มันอะไรที่เกิดในตัวเนี่ยเช่นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันรู้ไม่ยากแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในตัวเออแต่โดยปกติก็คือถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็รู้ตัวรู้ตัวรู้ทั้งตัวรู้แบบรู้ทั่วพร้อมรู้ทั่วถึงรู้แบบไม่ต้องไป ไปจุดแท่งจอจุดใดจุดหนึ่งรู้เล่นๆไปอืมก็แค่เนี้ยมันก็ทําให้เจริญในการอ่าเขาเรียกว่าเจริญทําให้สติเนี่ยานะมีความเจริญงอกงามขึ้นแต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเนี่ยมันมันล่าช้าแล้วมันไม่ค่อยเ อ, อไม่พัฒนาในทางสติรู้ตัวบ่อยๆเดินยืนนั่งนอนเนี่ยเนี่ยแม้กระทั่งตอนเนี้ยมันรู้นี่ถ้ารู้ตัวเป็นเนี่ยมัน มันมันมันรู้เลยอ่ะเออมันรู้เลยว่าตัวแล้วก็ต้องไม่ต้องมาเฝ้ารู้หรอกเอาแค่แค่รับรู้รับรู้ตามที่มันรู้แล้วก็ต่อมามันไม่รู้แล้วก็ต่อมามันรู้เนี่ยรู้อย่างเนี้ยแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่าไอตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวถูกรู้เออไอตัวรู้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของสติแต่ตัวเราเนี่ยถ้ามันรู้ตัวแบบเป็นเงาเงาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเห็นเป็นรูปนะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นด้วยตาเนาะ แต่ถ้าตาเห็นเนี่ยมันเห็นเป็นรูปเหมือนกันแต่เป็นรูปที่เห็นด้วยตาแต่ถ้าว่าไม่ได้เห็นด้วยตามันรู้ด้วยใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นเป็นเป็นนามรูปคือเป็นรูปที่เกิดจากนามนะโทษอย่างนี้เดี๋ยวโยมอาจจะไม่เข้าใจหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้ก่อนสมมุติว่าตอนเนี้โยมอาจจะอยู่ที่ทํางานหรือบางคนอาจจะอยู่บ้านแต่ถ้าระหว่างที่ตัวอยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานก็แล้วแต่ บางทีเนี่ยเวลาจิตมันไปคิดถึงสมมติว่าไปคิดถึงเพื่อนนะเวลาคิดถึงเพื่อนเนี่ยเวลามันนึกถึงเพื่อนเนี่ยมันเวลาเพื่อนปรากฏขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันเห็นด้วยด้วยจิต ด, ด้วยใจว่าเออเป็นรูปของเพื่อนเป็นเงาเงาอย่างนั้นอย่างนั้นครับคือวัววแบวบแวมอ่ะมันไม่เหมือนด้วยเห็นด้วยตาเนาะถ้าเห็นด้วยตามความรู้สึกว่ามันทรงอยู่ได้นานแล้วมันชัดแต่ถ้าเห็นด้วยใจเนี่ย มันปรากฏเป็นรูปแบบแวบๆบแนิดๆหน่อยๆอะ่ะเออมันก็ดับไปจางไปแล้วก็เกิดปรากฏขึ้นมาใหม่แล้วก็หมดไปหายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นนามเป็นรูปที่เกิดจากนามนามคือมันปรุงแต่งให้เป็นรูปอ่าพูดอย่างนี้ไม่รู้เข้าใจไหมเอาตรงนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้กันแล้วกันโยมนะตอนนี้อยู่เฉยๆนะโยมห้ามคิดถึงรถแท็กซี่สีเขียวห้ามคิดถึงรถแท็กซี่สีเขียวเด็กขาด อแค่นี้เป็นไงรถแท็กซี่สีเขียวปรากฏเป็นรูปเลยนะเป็นขนาดไม่ได้เห็นด้วยตาแต่จิตน่ะมันมีสัญญาจําได้ว่าเออรถแท็กซี่สีเขียวมันก็ปรุงแต่งให้เป็นรูปรถขึ้นมาเป็นรูปสีเขียวไอ้รูปที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นทางจิตทางใจอ่ะนะเขาเรียกว่าเป็นรูปที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตซึ่งมันไม่เหมือนกับรูปที่มองเห็นด้วยตาถ้ามองเห็นด้วยตาเนี่ยมันเหมือนกับตาเนื้อเนี่ยไปเห็นไปเห็นรถ แท็กซี่สีเขียวจริงๆนะแต่ถ้าเห็นด้วยใจนะมันเป็นการปรุงแต่งคือมันไม่มีแท็กซี่จริงหรอกแต่มันปรุงขึ้นมาตามสัญญาจําได้ก็เป็นแท็กซี่สีเขียวเห็นแป๊บหนึ่งแล้วก็จางไปแล้วก็เห็นแป๊บหนึ่งจางไปแต่พอจะดูใหม่มันไม่เห็นเลยนะแต่ถ้าปกติปกติเวลามันนึกขึ้นได้มันก็จะเห็นเห็นแปบๆ แ, แล้วก็หมดไปหมดไปเออเพราะนั้นนะ่ะธรรมชาติจริงๆอะ่ะมันไม่มีของจริงหรอกมันเป็นภาพลวงตาหมด ที่เราเนี่ยบางทีที่เป็นทุกข์กันนะนะโยมที่เป็นทุกข์กันเพราะว่าความคิดนี่แหละมันเคยมีความจําได้เคยผูกพันกับใครยังไงเนาะแล้วก็พอมันคิดปั๊บมันก็สร้างเป็นรูปขึ้นมารวมดูดิว่าไอ้ที่มันสร้างเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาพมายามากเลยไม่ใช่ความจริงอ่ะแต่เรารู้ไม่ทันเรานึกว่ามันจริงพอรู้ไม่ทันนึกว่ามันจริงเสร็จแล้วก็ก็ถ้าคิดให้เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เนาะถ้าคิดให้เป็นสุขมันก็เป็นสุข แต่ความจริงอ่ะโอ้โหมันหลอกลวงถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามีสติมีปัญญาก็จะรู้เลย ว, ว่านั่นอ่ะคือภาพแห่งมายาคนเนี่ยหลงภาพแห่งมายานึกว่าเป็นความจริงจริงแท้ด้วยนะแต่ถ้าเข้าใจเรื่องเนี้ยจะรู้เลย ว, ว่ามันเป็นภาพมายาเหมือนพยับแดดอะเรารู้จักไหมพยับแดดอะที่บนถนนเนาะบางทีอากาศร้อนรเนาะมันร้อนปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บ ป, บ ป, บ ป, บ ป, บปบเป็นเหมือนกับเบนซินที่มันแบบไอระเหยอะปุ๊บปุ๊บ เห็นไหมเป็นภาพลวงตาสุดท้ายมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกแต่ว่ามันลวงเหมือนกับว่าภาพนั้นมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถูกความคิดหลอกถูกสัญญาหลอกถูกนา ม, มารูปคือรูปที่มันปรุงแต่งทางจิตหลอกแล้วก็ทําให้เกิดเป็นทุกข์เป็น ส, สุขก็สุดท้ายก็แย่เลยเราแต่ถ้ารู้เท่าทันความจริงอย่างนี้ก็รู้ว่าโอ้มันเป็นภาพมายามีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับทีนี้ถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชัด ก็ลองนึกถึงคนอคนที่มีแฟนเนาะมีคนรักอย่างเงี้ยอาจจะเห็นภาพชัดก็ได้ก็ลองยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวโยมเนี่ยนั่งอยู่บ้านนะแต่พอคิดถึงเขาเนี่ยจิตมันก็ปรุงแต่งนะมีความสัญญาก็เคยจะเคยจำได้ใช่ไหมว่าเออแฟนเราเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็สร้างรูปแฟนขึ้นมาสร้างรูปเออแล้วก็มันก็สร้างต่อว่ารูปแฟนเนี่ยแฟนเนี่ยกำลังเที่ยวกับผู้หญิงอื่นนะสมมตินะเนี่ยมันสร้างขึ้นมาดูตัวโยม ไปเที่ยวคนนั้นแล้วก็เอากอดคอกันจับมือกันโอยเนี่ยจิตปรุงแต่งทั้งหมดเลยถ้าเรารู้ไม่ทันเรานึกว่าจริงนั้นน่ะโอ้โหเดินจับมือกันได้กอดคอกันได้ที่จริงอ่ะจิตปรุงแต่งแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนนี่จิตมันอยู่ในกายตัวเองเนี่ยแต่เราไม่รู้ทันจิตไม่รู้ว่าไอ้ที่เกิดของจิตมันเกิดในในตัวเราแล้วก็พอไม่รู้ว่าที่เกิดของจิตมันอยู่ตรงนี้ก็หลงผิดนู่นนึกว่ามัน มันอยู่ที่ที่นู่นที่นี่มันอยู่ไกลตัวไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเจริญสติคือให้รู้กายรู้จิตคือให้รู้ที่มันเกิดให้รู้ที่มันดับนะความคิดมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่จิตจิตอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่กายอยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่ามันอยู่ในขอบเขตของกายนี้อ่าแล้วมันคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาเวลามันดับมันก็ดับที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตเออก็อยู่ในตัวเราหมดเพราะฉะนั้นต้องมีสติคือรู้ตัวถ้ารู้ตัวเสร็จ มันก็จะเห็นอาการที่เกิดขึ้นในจิตเห็นอาการดับเห็นอาการดับก็ดับในจิตเพราะฉะนั้นถ้ารู้แต่ถ้ารู้ไม่ทันมันส่งจิตออกนอกนูก็ไปรู้นอกตัวอีกแล้วตรงนั้นแหละเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นกลับมากลับมารู้ตัวทั้งตัวแล้วก็รู้รู้กายรู้จิตรู้อาการที่เกิดขึ้นในกายรู้เนี่ยรู้ในตัวทั้งหมดก็จะเห็นความจริงหมดว่าทุกอย่างมันเกิดดับอยู่ในนี้หมดเพราะนั้นต้องฝึกสติเนาะให้มันตั้งมั่นคือให้สติเนี่ยอยู่ที่ตัวอยู่ที่กายที่ใจ อย่าเมอเผลอเพลินอย่าปล่อยกายปล่อยใจให้มันไหลไปรับรู้สิ่งข้างนอกพวกนั้นแหละนำทุกข์มาให้หมดเพราะนั้นต้องฝึกกลับมากลับมาอยู่ที่ตัว yeah. ถึงเขาบอกว่าฝึกสติก็คือรู้รู้ตัวรู้กายรู้ใจกายก็อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ตรงนี้แหล ะ, อ, ะอยู่ที่ตัวนั่นแหละกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็อยู่ที่เดียวกับที่กายก็อยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้น ให้รู้ตัวอยู่ที่เนี้ยที่เนี้ยที่เนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปบังคับอะไรนะถ้าบังคับเนี่ยเป็นการขังจิตแล้วก็จะเหนื่อยจะลําบากมากเอาแค่ว่ารู้ตัวระลึกได้รู้ตัวเบาเานะรู้เบา ๆ, ๆ ร, ๆๆรู้เล่นเล่นไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวจิตมันก็คุ้นเคยเองที่จะมาอยู่กับตัวแล้วก็จะมีความสุขสัมผัสได้เลยว่าจะมีความสุขจะมีความส ง, งบแล้วก็ไม่ค่อยอยากเที่ยวไหนแล้วไม่นน่นไปนี่แล้วเพราะว่ามันรู้ว่า การออกไปเที่ยวเนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งสิ้นเปลืองเนาะเสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วก็เหนื่อยจริงๆแต่ถ้าฝึกสติเนี่ยพอจิตมาอยู่กับกายมาอยู่กับจิตตรงในภายในเนี่ยมันก็จะสงบร่มเย็นแล้วก็มันเห็นทางเลือกว่าโอ้ทางเลือกตรงนี้ดีกว่านะดีกว่าแล้วก็มันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวมันพอใจที่จะอยู่ตรงนี้เลยก็กลายเป็นนิสัยว่าเป็นคนไม่ค่อยอยากเที่ยวแล้วไม่ค่อยสูงส่งกับคนละ อยู่คนเดียวดีกว่าพบทางตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าได้ได้ความสุขจากการที่มีสตินะอันนี้อาจจะเรียกว่าขั้นขั้นสมาธิก็ได้นะเพราะว่าถ้าขั้นปัญญาเนี่ยก็ต้องพัฒนาอีกหน่อยหนึ่งว่า อ, อ๋อเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของจิตว่ามันไม่เที่ยงเนาะมันแปรปรวนนะมันไม่เที่ยงสักอย่างนึงมีแล้วเปลี่ยนไปมีแล้วเปลี่ยนไปเป็นมีอย่างนี้เปลี่ยนไปเป็นอย่างนู้นมีอย่างนี้เปลี่ยนไปเป็นอย่างน้น จนกระทั่งว่าเกิดปัญญาว่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นแค่สังขารที่เปลี่ยนสลับหน้ากันไปเรื่อยอ่าแล้วก็ยึดถือไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นแต่วางลงแล้วคือไม่ยึดไม่ถือนะไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ยึดไม่ถือนะมันเป็นเรื่องของจิตที่มันไม่เอาเองแต่ถ้าถ้ามีตัวเราว่าเราไม่ยึดไม่ถือนี่อย่างนี้ยังมีทุกอยู่ นะต้องวางตัวเราด้วยถึงจะพ้นทุกข์บางคนปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าเราวางหมดแล้วเราไม่ทุกข์แล้วอย่างเนี้ยยั ง, ย, งยังไม่พ้นทุกข์เพราะเหตุว่ า, วายัางมีตัวเราเป็นผู้วางยังมีตัวเราเป็นผู้ไม่ทุกข์เพราะนั้นถ้าถอ น, ถอนรากถอนโคนคือวางตัวเราไปด้วยว่าตัวเราก็เป็นสังขารยึดถือไม่ได้วางพอวางเสร็จก็หมดแล้วนี่มันวางตัวเราไว้แล้วก็มันก็เป็นความไม่เหลืออะไรแล้วก็หลุดพ้นไป สำคัญนะต้องรู้ตัวเราก่อนแล้วจึงวางตัวเราถ้าไม่รู้ตัวเรามันวางตัวเราไม่ได้ก็อย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ะบอกว่าเราไม่ทุกข์แล้วเราวางหมดแล้วเห็นไหมมีตัวเราเป็นผู้วางแต่ไม่เห็นตัวเราผู้วางแต่ถ้ามีสติตื่นรู้ฉับพลันขึ้นมาว่าเอ้ายังมีตัวเราอยู่นี่ตัวเราเป็นผู้วางเพราะนั้นให้วางตัวเราผู้วางเนี้ยบึ๊ง วางด้วยการตื่นรู้นะไม่ใช่ว่าเอาตัวเราอีกตัวนึงมาวางตัวเราเหมือนกับเป็นการตื่นรู้ด้วยสติปัญญาปุ๊บตรงนี้ปั๊บโอ้พอรู้ตัวเราปั๊บตัวเราผู้วาง่ะมันจะหายวับไปเลยหายวับไปเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่พ้นทุกแท้จริงคือวางตัวเราเสียแต่ถ้าไม่เห็นตัวเรามันวางไม่ได้ก็ยังเป็นทุกหลวงพ่อจึงเน้นมากให้รู้ตัวเราก็เพื่ออะไรก็เพื่อวางแต่ถ้าไม่เห็นตัวเราก็วางไม่ได้ ทีนี้ถ้าถ้ายกตัวอย่างที่เคยหลวงพ่อยกตัวอย่างนะวางตัวเราวางยังไงนะสมมติว่าเหตุการณ์ว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเอาพวกเราเอาโทรศัพท์มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เราเนี่ยไปดูโทรศัพท์มองไปที่โทรศัพท์พอมองไปโทรศัพท์เสร็จแล้วมันรู้ตัวเราที่เป็นผู้มองพอรู้พอพบตัวเราผู้มองเสร็จแล้วตรงเนี้ยถ้าวางก็คือเมื่อรู้แล้วก็คือ ไม่ไม่ยึดถือคือตัวเราที่เป็นผู้มองให้มันมองไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไ ม, มยยววไม่มีใครยึดถือตัวนี้แล้วไม่มีใครยึดถือตัวนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นความหลุดพ้นไปจากตัวนี้แต่ตัวเนี้ก็ยังมองเหมือนเดิมไแหละแต่ไม่มีใครยึดแล้วแปลกไหมละ่ะมันมีอยู่แต่ไม่มีใครยึดแล้วอแต่ถ้าไม่รู้ตัวเรามันก็ยังความเป็นตัวเรายังมีความหลงผิดยังมีอวิชชาคือยึดยึดอยู่ ยึดอยู่ก็ก็ตายไปกับมันเวลาตัวเราผู้มองโัวศัพ์ตายนี่นะผู้ยึดก็ต้องต้องตายไปด้วยหรือว่าไอตัวผู้มองโัวศัพ์มีการป่วยไปติดเตียงเนาะผู้ยึดก็ต้องทุกไปด้วยว่าเราป่วยเราป่วยนะแต่ถ้าไม่ยึดมันมีแต่ไอตัวเนี้ยนอนป่วยติดเตียงอยู่แต่ผู้ยึดไม่มีก็คือไม่มีไม่มีใครทุกแต่ไอตัวติดเตียงมันก็ก็เป็นของมันเช่นนั้นเองต้องให้เข้าใจแบบนี้ถึงจะ พ้นทุกแบบถอนรากถอนโคนกันจริงๆฝึกนะอฝึกนะอฝึกไปพัฒนาไปนะฝึกอย่างนี้เป็นแล้วก็ต่อไปก็เอต่อยอดไปทําเล่นๆกับอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะให้เห็นตัวเราอันแหละ เ, เห็นตัวเราทั้งตัวอย่างที่โยมว่าเนี่ะเห็นทั้งตัวก็ปล่อยวางทั้งตัวนะเอเอปล่อยวางทั้งตัวเลยเพราะว่าอคําว่าทั้งตัวเนี่ยมันเป็น จริง ๆ, ๆตัวเราเนี่ยตัวกูเนี่ยก็คือทั้งตัวนั่นแหละนะก็ลองดิลองลองยกตัวอย่างที่คาว่าคําว่าหนูคําว่าฉันคําว่าผมเนี่ยมันคือทั้งตัวนะเช่นสมมติว่าจะพูดกันว่าตอนเนี้ยหนูหรือว่าเราเนี่ยเราเข้าห้องปับลมมาฟังเนี่ยมาฟังหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมคําว่าเราเนี่ยนี่คือทั้งตัวเลยนะแต่ถ้าเห็นทั้งตัวเท่ากับว่าปล่อยหมดเออทั้งตัวนี่คือปล่อยหมด แต่ถ้าไม่เห็นเล ย, เยพอไม่เห็นเลยมันก็ก็เป็นตัวเราเดี๋ยวควางห้องนี้เดี๋ยวไปควางห้องโน้นเดี๋ยวก็ไปวัดเดี๋ยวก็ไปเข้าคอร์สเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวเราไปแต่ถ้าเห็นตัวก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ตัวที่ไปนี่คือสังขารมันไม่ใช่ตัวเราไปไหนก็ไปไปในทางที่ไม่ไม่เดียดเบียนเดือดร้อนกับใครก็ไปแต่ก็รู้ชัดรู้แจ้งว่าไอ้ตัวที่ไป่คือสังขาร ตัวเราไม่มียันเลยตัวเราไม่มีที่มีคือสังขารแล้วก็สิ่งใดมีสิ่งนั้นดับแต่สิ่งที่ไม่มีสิ่งนั้นไม่เกิดและก็ไม <d or incorrectly> ่ดับเนี่ยความพ้นทุกมันอยู่ที่ตรงนี้แหละสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่เป็นทุกเออเมื่อตัวเราไม่เกิดตัวเราไม่มีก็คือไม่มีทุกแต่ที่มีทุกก็คือทุกของสิ่งที่เกิดก็คือสังขารเกิดก็ทุกของมันไม่ใช่ทุกของเราเราไม่มี ยแยกอย่างเนี้ยมันก็ โ, โหยแจมแจ้งเลยอแจมแจ้ ง, จงชัดเจนหลวงพ่อเนะี้เห็นภาพชัดเลยนะ่ะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเอาตัวกูไปปฏิบัติหมดเลยแต่เจ้าตัวไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวกูนะพอไม่เห็นก็ปฏิบัติเอาปฏิบัติเอาเพื่อให้ตัวกูพ้นทุกตัวจริงๆมันพ้นทุกตั้งแต่เห็นถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวกูไม่มีมีแต่สังขารเนี่ยมันพ้นทุกไม่ต้องไปปฏิบัติ ใช่ไหมพ่อเห็นถูกต้องเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยออจำแจ้งไหมหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยใครติดขัดมั่งนัดแถววัดหลวงพ่อออกเสียงถูกไหมถูกครับเพิ่ง <laughs> เคยเข้ามาครับหลวงพ่อครับเอาเหรอเออแล้วหลงมาได้งไงเนี่ยมายังไงติดตามใครมา ไม่ได้ติดตามใครมาครับพอดีเ <laughs> ปิดซ่องก็เลยเข้ามาครับแ ล, ออออแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมโยมเออเล่าประสบการณ์ให้หลวงพ่อฟังมัางที่เป็นยังไงมัางอ๋อไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่เคยฟังเลยครับผมเล้วคือเข้ามาครับว่างก็เลยเข้ามาโบติ<า>ยุงุงๆมาเจอห้องนี้เนาะหลวงพอ่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัย ตอนเป็นคารวาสเนาะมันมีเขาเรียกว่าแคมฟอกนะสมัยรุ่นนั้นเนาะเข้าห้องโน้นเข้าห้องนี้ก็ก็ดูเขาคุยมั่งบางทีเราก็คุยมั่งไอ้นั้นมันมีมีภาพด้วยไงเนาะแล้วตอนหลังก็เลิกไปนานแล้วก็มาอีกทีเอา้าเขามีครับเฮากันแล้วก็มาลองดูเอา้ากครับเฮานี่มันก็มีประโยชน์นะถ้าเข้าเป็นเข้าห้องถูกห้องหรือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็มีประโยชน์เยอะ แต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยจะถูกเข้าไปห้องไหนสมมติว่าห้องแบบสนุกเฮฮาแบบวัยรุ่นอะไรนั้นก็อีกแบบหนึ่งเนาะถ้าเข้าห้องพระนี่โอโ้ดีแน่ห้องพระนี่โยมมาดีเลยนี่เข้าห้องพระเลยครับแล้วโยมมีโยมมีอะไรจะถามหลวงพ่อไหม อ, อ๋อขอขอฟังละกันครับอขอลองฟังดูก่อนออห้องนี้วันนี้เนี่ยหลวงพ่ อ, อ, อมาคุยเรื่องของการตื่นรู้ปัจจุบันนะก็คือ การคือการรู้ตัวเรารู้ตัวเองนะหมายความว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้เช่นตอนนี้กำลังคุยก็ให้รู้ตัวว่าเออตัวเองกำลังคุยหรือว่าตอนนี้ตัวเองหยุดพูดแล้วนะก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยหยุดพูดแล้วเนี่ยให้เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าฝึกการตื่นรู้เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองหรอกมันไม่รู้เลยเนาะเพราะว่ามัวแต่ส่ง ส่งจิตส่งใจเนี่ยไปรู้เรื่องคนอื่นหมดเลยไปรู้คนอื่นแต่ถ้าเราฝึกมารู้ตัวเราเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเราว่าอ๋อตัวเรามีอยู่ตัวเรานั่งอยู่นี่ตัวเรานั่งฟังอยู่แบบเงียบๆอยู่นี่หรือตัวเรานั่งฟังอยู่แล้วมันรู้สึกว่าจิตใจมันแวบไปคิดถึงห้องโน้นบ้างคิดถึงบ้านบ้างอ่ะก็จะรู้ตัวเราว่าเออตัวเรา ม, มันเกิดอะไรขึ้นในตัวเราเนี่ยก็หัดหัดรู้ไปอย่างเนี้ยมันมีประโยชน์มากเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตัวเราเนี่ยเวลาตัวเรามีความกโกรธเนี่ยมันไม่รู้ว่าอ๋อเราโกรธแล้วพอไม่รู้ว่าเราโกรธเนี่ยมันก็ผานหาเรื่องไปเรื่อยอะนะแล้วยิ่งพานหาเรื่องมันก็ยิ่งโกรธโกรธแล้วก็ไม่รู้อีกเออไม่รู้อีกก็กลายเป็นว่าด้วยความไม่รู้เนี่ยความโกรธมันก็เผาไหม้จิตใจเจ้าของใช่ไหมเออทำให้รู้สึกเป็นทุกข์ทรมานหงุดหงิดขับแค้นใจอ่าแต่ถ้าเรารู้ตัวเราว่าเวลาโกรธก็รู้ พอรู้เสร็จแล้วก็ยับยั้งชั่งใจคือไม่ทําตามความโกรธพอไม่ทําตามความโกรธเช่นด้วยการหยุดนิ่งเฉยเสี ย, ยไม่พูดไม่จาความโกรธก็จะเหกิดแห้งหายไปเร็วกว่าเร็วกว่าที่เราจะมีการโต้เถียงมีการพูดเพราะฉะนั้นก็ฝึกรู้สึกตัวก็คือรู้แบบลักษณะแบบเนี้แล้วการฝึกก็ฝึกได้ตลอดเวลาเนาะจะเดินจะนั่งจะอยู่ที่ไหนเช่นขับรถอย่างเงี้ยบางทีคนที่ ขี้กรธขี้โกรอนะพวกนี้ยเขาก็ไม่ค่อยได้ฝึกไงแต่ถ้าเขาฝึกปั๊บเขาจะรู้เลยว่าอ่าโกรธแล้วแล้วก็นิ่งนิ่งไว้ก่อนเฉยเฉอย่าโวยวาอย่ากระต وك กระตักแล้วความโกรธก็ดับเร็วอ่าแล้วก็ถ้ามันโกรธใหม่ก็รู้ใหม่ว่าอ้าโกรธแล้วอะไรเงี้ยก็ฝึกรู้ตัวแบบเนี้ยพอพอเข้าใจเนาะที่หลวงพ่อพูดแบบนี้เข้าใจครับเออเข้าใจง่ายนี่เนะาะเขา็จะง่ายก็ลองไปไปใช้จริงเลยในชีวิตประจําวันเนาะ เออไม่ว่าจะที่ทํางานเห็นไหมที่ทํางานก็ฝึกรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวจะเดินจะนั่งก็ฝึกรู้ตัวอืคือตอนแรกเนี่ยมันมันจะลืมไปก่อนสมมติเนี่ยวางหลวงพ่อเนี่ยเข้าใจง่ายๆแล้วก็สมมติโยมตั้งใจว่าจะไปฝึกเนี่ยโอ้โบางทีกว่าโ ย, ยมจะนึกได้นอนสองวันสามวันก็ได้นะไม่แน่นะออทีนีถ้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้นึกได้บ่อยๆเออเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นเลยกันลืมการลืม <laughs> เริ่มต้นฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะรู้ตัวเราเนาะแต่มันก็จะลืมเป็นระยะเออพอลืมเสร็จถ้ามันนึกได้ก็กลับมารู้ใหม่เออแล้วมันก็ลืมอีกละลึกได้ก็กลับมารู้ใหม่เออมนี่ยฝึกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝึกเ ล, เล่นไปเอะแล้วก็ชีวิตจะรุ่งโรจน์จะความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากเลยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นผู้มีศีล น, นะนะเป็นผู้มีศีลโดยอันตนโนมัติเพราะว่าคนที่าขาดศีลเนี่ยเห็นไหมที่ทะเลกกาะกันรบราคาควันกันก็เพราะว่าเขาไม่รู้ตัว ก็เลยเป็นเรื่องแล้วก็ทำให้สังคมเดือดร้อนนะแต่ถ้าเรารู้ตัวก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกมันรู้ก่อนแล้วว่าเออเราไม่พอใจเราโกรธแล้วนะแล้วก็มีการยับยั้งชั่งใจคือไม่ลงมือกระทำหรือไม่พูดร้ายไม่ทะเลาะกนะันมันก็สงบส่วนคนอื่นก็ทำไม่ได้ก็เรื่องเขาแต่ถ้าเราฝึกมันก็เออมีประโยชน์กับเราเองแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่ของเราก็เย็นสงบเย็นมากขึ้นชีวิตน่าอยู่ และความสุขความเบิกบานที่ได้มาจากการฝึกแบบเนี้ยไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องไม่ต้องไปแลกกับเงินแต่มันจะได้มาเพราะการการฝึกการปฏิบัติแบบเนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้เงินสักบาท <c oughs> อาาอครับผมอ่ายศเหน่งยศเหน่งมีคุยกับหลวงพ่อนะก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งสำหรับวันนี้นะ ก็ขออนุมโมทนานะกับโยมเนาะที่มีความสนใจเข้าห้องธรรมะฟังเอาไว้เพื่อทำให้เกิดสติปัญญานะแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างน้อยถึงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ความเป็นอยู่ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีแน่นอนนะเพราะว่าผู้ใดเนี่ยมีศีลมีธรรมนะพึ่งพาอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่ า, าระรตะนัตจเนี่ย คนกลุ่มนี้ก็ถือว่าชีวิตไม่เสื่อมแล้วนะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงกลุ่มหรือว่าสังคมหรือเพื่อนฝูงที่ชักนำไปเราชักนาเราไปในทางต่ำก็ควรเลือกคบกันเองนะเพราะว่ามันก็คงจะรู้ได้เลยว่าเออคบแล้วรู้สึกว่ามันมันเสื่อมมันไม่ดีตัวนั้นให้คบหาบัณฑิตคือพบหาผู้รู้ผู้ที่เก่งกว่าเรา แล้วก็เขาก็จะให้คำแนะนำในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขความรุ่งเรืองความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้ก็หลวงพ่อก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก็สาอนุโมทานาสาธุกับทุกคน